ที่แบบเราอยู่กับท่ามกลางธรรมชาตินะแล้วก็พยายามแบบปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งภายนอกให้น้อยนะแล้วก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ที่บริสุทธิ์หรือว่าธรรมชาติที่ที่จริงแทนะ้มันก็จะเป็นเรียกว่าความความเรียบง่ายนะเราอยู่กับภูเขาเราอยู่กับ ต้นไม้เราอยู่กับพื้นดินนะเราอยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์มันนมันก็เรียกว่าเราอยู่แบบง่ายๆนะอาศัยการปรุงแต่งภายนอกให้น้อยลงนะที่อยู่อาศัยต้นไม้ใหญ่โตเกินไปนะอาหารการกินก็ไม่ดูดอาเกินไปนะ เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่มากเกินไปนะยารักษาโรค ก, ก็เฉพาะที่จำเป็นนะหรือว่าสิ่งอํานความสะดวกภายนอกก็เอาเท่าแค่มนะีอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของของชีวิตของนักบวชนะพระพุทธองค์ก็สอนให้เราเรียกว่ารู้จักพิจารณานะในการใช้ปัจจัยสี่ พิจารณาในความที่เรียกว่าเราใช้ด้วยด้วยคุณค่าแท้คุณค่าแท้ของของสิ่งที่เราใช้เช่นจีบอลหรือว่าเสื้อผ้านะเครื่องห่มเนีนะ่ยก็คือเป็นไปเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะนะไม่ให้เกิดความระายนะบำบัดความร้อนความหนาวบำบัดเหือบยุงลมแดดที่จะมา ทำร้ายผิวกายประมาณนะี้นะไม่ใช่ใส่เพื่อประดับประดานะเน้นความสวยงามเพื่ออวดก็ อ, อวดภาพลักษณ์ภายนอกบางทีคนสมัยนี้ก็จะหลงนะหลงกับแ ฟ, แฟชั่นต่างๆนะหลงกับยี่ห้อนะหลงกับดีไซน์กนะ็เสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียขอเรื่องพวกนั้นเยอะ อาหารการกินก็เหมือนกันเนา ะ, ะเรากินอย่างตัวอย่างของพระนีะ่ันในบาตรนะหรือแย่โยมฉั้นข้าวจานเดียวเหมือนข้าวราดแกงนะบางทีก็ไม่ใช่ราดแต่ข้าวกับแกงนะก็เอาของหวานเอาผอลไม้ก็อยู่ในจานเดียวกันนมันก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าที่จริงกับแม้มันจะแยก กี่จานกี่ชามกี่ถ้วยขนาดไหนนะแต่ทั้งหมดมันก็ไปรวมกันอยู่ในท้องของเราเนี่แหละนะมันก็ไม่เลือกคาวหรือหวานนะมันก็เข้าไปปนลงกันในในกระเพาะของเรานี่ยแหละนะอันนี้ก็เหมือนพระท่านก็นเวลาฉันในบาทนะก็มันก็คุกลงไปตรงนั้นแหละนะแต่ก่อน ก็ได้ยินบางรูปท่านก็เคยพูดบางทีแม้จะในบาทแต่ก็ยังติดติดความเคยกินเ ก, ก่าๆนะก็จะพยายามแยกกับข้าวอยู่ส่วนหนึ่งข้าวอยู่ส่วนหนึ่งนะผลนําไม้หรือว่าของหวานอยู่ส่วนหนึ่งแยกแยกเป็นส่วนๆเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ากินรวมกันไปแล้วมันกินไม่อร่อยนะหรือว่ากินไม่ได้ อันนั้นก็ยังเป็นความเคยชินที่ที่ยังติดอยู่นะติดกับความเคยชินที่อยากจะกิ น, นด้วยรสชาติของของอาหารหรือกับข้าวที่ที่เราต้องการนะแต่พระพุทธองค์ท่านก็ให้เน้นว่าเออมากินเพื่อความตั้งอยู่ได้เห็นกายนี้นะนไม่ใด้กินเพื่อความ อ, าอร่อยเพื่อคพินสนุนานนะ กินเพื่อบําบัดความหิวนะกินเพื่อไม่ให้นะความหิวเนะี่ยจะไปทําร้ายร่างกายนะในอนาคตนะแก้ไปก่อนนะแต่ก็กินแล้วก็แก้ไทยจย์เนอะมันก็แก้แล้วก็ต้องกินใหม่อีกไปเรื่อยๆนะมันก็ทําให้เราเห็นว่าเออร่างกายนี้มันมันเราก็ได้เกินแค่บําบัดบรรเทาเนอะนอกจากเรากินอาหารเราก็ยังเห็นร่างกาย มันก็สัมพันธ์กันนะกับอาหารที่เราทานทานมากไปก็อิ่มก็ทุกทานน้อยไปก็หิวก็ทุกนะนะทานแต่ของที่ชอบนะก็อาจจะทุกเพราะโรคภัยไข้เจ็บตามมานะืของที่ไม่ชอบแต่มันอาจจะดีแต่ไม่ทานนะก็ก็อาจจะขาดสารอาหารบางอย่างไป อยู่อาศัยก็เหมือนกันนะเราก็ใช้อย่างช่วงหน้านี้หน้าฝนก็จําเป็นเหมือนกั น, นเราก็มีกุฏิมีศาลาไว้หลบฝนพราะพุทธองค์ท่านก็บอกไว้เลยไม้แต่พระที่ทุดงนทุดงไปอยู่ป่าแต่ก็ถ้าช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่ใต้โคนไม้ท่านก็ให้อยู่กุฏิ ที่มีที่มุงที่บังนะให้เรียบร้อยหรือว่าอยู่ถ้ำอะไรนะในลักษณะที่ที่มีฝานะ่มีหลังคาพ อ, อให้กันฝนกันลมไดนะ้ท่านก็บัญญัติไวนะ้นะนะแต่ถ้าออกนอกคันสาแล้วจะจะอยู่อยู่ใต้คนไม้หรือว่าอยู่กลางแจ้งอยู่นะ่ป่าช้าแบบนั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่า พยันตร์อายจากดินฟ้าอากาศนึงก็จะน้อยลงไปท่านก็เพื่อประโยชน์ในการบำบัดนะไม่ให้ร่างกายมันทุกข์เกินไปนะคือไม่ใช่ไปทรมานตากแดดตากฝนตากลมหรือว่าร้อนหนาวไม่ปกปิดไม่ไม่บรรเทาก็าต้องบรรเทารักษาบรรเทารักษาด้วยยา แผนปัจจุบันบ้างมันเท้ารักษาด้วยยาสูตรพระพุทธเจ้าบ้างก็ดีนะ เ, เช่น พ, พระพุทธองค์นะท่านก็สอนให้เราฉันยาดองด้วยน้ํามูดเน่านะเอน้ํนะามูดคือคือน้ําปัสสาวะเอามาดองสมอบ้างดองด้วยมะขามป้อมบ้าง เ, เป็นยาตรือบางทีสมัยนี้ก็บางทีก็เอาน้ําปัสสาวะมา มาฉันนะเพียวๆ เ, เลยก็ได้เอาตรงกลางนะมาฉันหรือได้ยินบางที่เขาก็ยุกนะน้ำปัสวะนาโนเอามาเอามาเขย่าเขย่าวเขย่ า, ยาให้มันอนุภาพนน้ําปัสวะมันมันเข้มข้นหรือว่ามีอนุภาพที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นการประยุกแต่เอาดมหลวงคือผู้โตองค์ท่านก็คือว่า ให้เอาแบบง่ายๆ เ, ยเอาแบบง่ายๆเอาแบบเรียบร้อยเอาแบบไม่ต้องเรียกว่ามีข้าวของเพร่องใช้ลกลงรัง ม, มากเกินไปนมันก็เป็นวิธีชีวิตของพระที่เรียกว่าไปไหนมาไหนก็ง่ายๆยถ้าเรามีข้าวของเครื่องใช้มีภาระมากเราก็ไปไหนมาไหนมันก็จะห่วง มันก็จะห่วงแต่ของมางอย่างเราก็รักษาหน่นแหละแต่ก็ถ้ามันมีมากเกินไปมันก็จะเป็นภาระเราที่จริงเรามีค้าวของเครื่องใช้สิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันเราได้ทากิจนะที่เราต้องต้องเกี่ยวข้องหรือเราต้องทำใช่ั้ยแต่บางครั้งเราก็มีมากเกินไปหรือว่าเราก็มีเจริญทั้งมัน เหลือเฟือเกินไปกลายเป็นเราก็ต้องทำกิจต้องไปรักษาต้องไปดูแลต้องไปอะไรมันเพิ่มขึ้นไปอีกแหละนะคือที่จริงถ้าเรามีเพื่อใช้นะภาระในการรักษามันก็มันก็น้อยลงนะแต่ถ้ามีแล้วไม่ค่อยได้ใช้แต่ต้องรักษาเนี่ยภาระมันก็เลยมันก็เลยมากขึ้นนะนั่นเราก็ จะมีข้าวของเครื่องใช้ก็เอาตามที่พอจำเป็นนะนะไม่สะสมมากเกินไปที่จริงหลายท่านเป็นคารวาดเนะไม่ได้มาออกบวชเนะี่ยก็เลือกนะใช้วิธีชีวิตนะบางส่วนคล้ายๆนักบวชก็ได้นะให้เรายดแสกพิจารณาเสื้อผ้านะที่อยู่อาไซน์นะ อาหารการกินหรือว่ายารักษาโรคนะเราก็สามารถที่จะประยุกตามตามสถานภาพของเราตามสิ่งจำเป็นของเราก็ได้นะนะให้มันเรียกว่าให้มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะบางทีน้อยเกินไปเป็นเราเป็นคาราวาเรามันก็ไม่สะดวกนะก็ต้องไปหยิบเยียมสิ่งของจากคนอื่นก็ต้องเออไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะ แต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เราคอยสังเกตจิตนะจิตบางอย่างบางทีมันจะมีความอันนี้เราชอบนะก็จะมีความรักความผูกพันความห่วงแขนนะอันนี้เราไม่ชอบเราหรือว่าเราเฉยเฉยนะมันจะหายมันจะพังก็ไม่เป็นไรนะเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอก แต่บางอย่างที่เราชอบเราห่วงแขนเรารักนะถ้ามันหายถ้ามันเกิดพังขึ้นมาแล้วก็อาจจะทุกข์ใจมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นตัวอย่างให้เราได้ได้เรียนรู้ดูดูความรู้สึกของเรานะดูความรู้สึกเวลาเราเรามีอะไรนะขณะที่เรามีสิ่งนั้นอยู่จิตใจเราเป็นแบบไหน ขนาดที่สิ่งนั้นหายไปหรือว่าจากไปจิตใจเราเป็นแบบไหนเนาะบางแยบางทีเราก็เราก็ดื่มตัวเคยได้ยินค า, า, ารวาสหลายคนบางทีบางคนก็เช่นหาหาสัตว์มาเลี้ยงเนาะเช่นสุนนะัขนะหรือว่าแมวนะเพราะว่า รู้สึกว่าเออมีสิ่งมีชีวิตสักอย่างอยู่ในบ้านมันก็ดีนะมันก็จะได้มันก็จะได้ไม่เหงานะมันก็จะได้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นมาบ้าง น, นะนะมันก็เป็นความสุขที่ที่ต้องการเพื่อแก้ความเหงาหรือว่าหรือว่าอยากจะมีอะไรนะที่มันมีสีสันบ้างในชีวิตแต่พอเลี้ยงดูเขานะคุ้นเคยกับเขาอยู่ด้วยกันมานาน พอถึงวันหนึ่งเขาก็ตายก่อนเรานะความทุกข์เข้ามาค้อบงำจิตนะเพราะว่าความรักความผูกพันความหงแหน่นะมันก็เข้ามาครอบงำจิตใจก็นะทุกบางคนก็ร้องไหนะ้เสียใจไปหลายวันนะหลายเดือนก็มีอันนี้ก็คือสิ่งที่พอเราไม่รู้ทันว่า อันนี้ก็เป็นกฎ ธ, ธรรมชาติอย่างหนึ่งเนา ะ, ะที่จริงเขาเขาอยู่กับเราหรือว่าเขาจากไปก็คือเขาสอนธรรมะนี่แหละนะว่าคนเรามันก็เหมือนเกิดมาก็มีการพบพบกันหรือว่าบางคนก็จะอยู่ด้วยกันนานขึ้นมาสักหน่อยสุดท้ายก็ต้องจากกัน ไม่ว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นสตัตว์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเรียกว่ามีความนะมีการพบเจอกันมีการได้อยู่นะการได้อยู่ด้วยกันได้เกี่ยวข้องกันก็เรียกว่าจะเป็นบุญวาสนานะนะที่ได้ทํากันมาในอดีตแล้วก็ได้ทําร่วมกันในปัจจุบันนะแต่อนาคตจะได้พบจะได้เจอกันหรือเปล่า มันก็อยู่ที่บุญวัฒนาของของแต่ละท่านนะเนี่ยบุญคือการคือกุศลที่ได้ที่ได้กระทําดีร่วมกันนะก็าอาจจะเกื้อหนุนให้ได้ไปพบเจอกันหรือเกี่ยวข้องกันอีกแต่บางคนกอ็อาจจะส่วนหนึ่งอาจจะที่จริงถ้าทําเวรร่วมกันนะก็าอาจจะเจอกันเจอกันเพื่อเป็นเวรกันอีกก็มีนะคําว่าวัฒนาคือ คือลักษณะนิสัยหรือว่าความควาคุ้นเคยนะอะ่วัฒนาในภาษาภาษาไทยกับภาษาบาลีภาษาพระเนี่ยจะต่างกันภาษาไทยแลว้ววัฒนาเหมือนเราจะเอาเหมือนเออคนนี้วัฒนาดีเนาะรวยรวยหรือว่าโชคดีอะไรนะ่ะอันนั้นวัฒนาแบบภาษาไทยเนาะ แต่วาสนาในภาษาบาลีหรือภาษาพระคือวาสนาคือจดดิสใส่หรือว่าสันดานพูดสันดานในภาษาบาลีเป็นเป็นคํากลางๆนะอแต่ในภาษาไทยเราไปใช้สันดานคือนิสัยที่ไม่ดีเหมือนคล้ายเหมือนกับวาสนาแหละเราแบ่งแบ่งว่าวาสนาคือบวกคือด้านดีสันดานคือด้านลบนะ แต่จริงคําว่าวาสนาหรือคําว่าสันดานในบาลีเนี่ยก็เป็นคํกากลางๆเอาไว้เรียกเอาไว้เรียกบุคลิกนิสัยที่มันเป็นพื้นฐานของแต่ละคนแต่ละท่านไปนั่นมันก็อยู่ที่วัสนาหรือสันดานของเราเนะที่ที่ทําที่เราได้เกิดมาแล้วเราได้ทํากรรมนกรรมในภาษาบาลีก็เป็นครรํกากลางๆนะ กรรมคือการกระทําำทํากรรมชั่วกรรมดีหรือกรรมที่เป็นกลางๆก็มีเนี่กรรมคือคือการกระทํำการกระทําก็คือทั้งกายนทําทางกายวจีกรรมทําทางวาจามโนกรรมทําทางใจกรรมก็มีสามอย่างนี่แหละทางกายทางวาจาทางใจ ทำนะทำไปแล้วนะผลนะผลบุญผลบาปทางไหนมันมากกว่ากันมันก็มันก็เป็นส่วนประกอบของกรรมทั้งสามส่วนนี่แหลนะเนาะที่เรามาศึกษาธรรมะนะมันก็ทำให้เราเข้าใจนะเข้าใจเรื่องบุญเข้าใจเรื่องบาปเข้าใจเรื่องกรรมนะเข้าใจเรื่องนรกเข้าใจเรื่องสวรรค์นะ คำว่าเข้าใจก็คือเนี่ยแหละมันเข้ามันเกิดความรู้ขึ้นในใจของเรานาะมันไม่ใช่ความรู้เกิดขึ้นที่สมองเนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเรียก ว, ว่าเข้าสมองนะมันเข้ามัน ถ, ถึงใจนะเราเห็นเราเห็นบาสนะเราก็ดีบาสนะหลวงพ่อเทียนเขาบอกบางทีเรียกว่าเข้าลกความไม่ดีนะ เคารความไม่ดีให้ไงคือเห็นมันนะแล้วก็หนีมันนะบางทีหลวงพ่อเทียนท่านบอกเปียบเหมือนเหมือนเราเห็นเห็นอุจจระนะเห็นขีน้เราเคารพอุจจระโดยการที่ไม่ไปเหยียบมันนะเดินหลบมันนะหรือหลวงพ่องเทียนท่านเปรียบเทียนะนะบางทีเราเห็นงูนะถ้าเราเห็นงูเราก็จะไม่ถูกงูกัดเพราะเราจะไม่ เราจะระวังหรือว่าเราจะหลบไม่ให้ไม่ให้ไปเหยียบเา้านะไม่ให้ไปใกล้เขามากเกินไปเนะี่ยเราเห็นความไม่ดีนะถ้าเราเห็นนะเราก็จะไม่เราก็จะหลบได้นะเรียงได้แต่ถ้าเราไม่เห็นเราอาจจะเผลอไปเหยียบเผลอไปทำนะหรือว่าเราเห็นเช่นงูเปรตเหมือนกับความทุกข์นะถ้าเราไม่ระวังมันก็จะฉกกัดนะเราได้ เราเห็นทุกนะ่ะเราก็เลยไม่เข้าไปเป็นทุกนะ่ะฉะนั้นสภาวะที่แท้จริงเนี่ยคาวสติตัวเดียวที่เราปฏิบัติเนี่ยโอ้มันคุมหมดเลยนะเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีนะ่ะเราก็ไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนันก็ไม่มาแปงเปลื้อนนะตัวเราแล้วนะ่ะเราเห็นความทุกนะเราเห็นเราไม่ไปเข้าไป ทุกไปจมนะกับเขาแล้วก็พ้นจากทุกแล้วนะเห็นทุกก็พ้นทุกนะหลวงพ่อท่านว่าเราก็ลองดูใจนั้นการมีสติที่แท้จริงคือสภาวะที่เรียกว่าเป็นผู้ดูเนาะเป็นผู้เห็นนะดูเห็นไม่เข้าไปเป็นนะไม่เข้าไปจมเนี่ยคือสภาวะสตินะ เราพยายามดูไปเรื่อยนะคำว่า ม, มีสติเนี่ยคือดูดูร่างกายนะดูจิตใจพยายามดูจะทำอะไรก็เหมือนเป็นผู้ดูนะดูร่างกายเขาทำนะร่างกายเขายืนเดินนั่งนอนนะหรือว่าอานาปานสติก็ดูลมหายใจนะหรือ เคลื่อนไหวร่างกายแบบหลวงพ่ะเทียนนะหู้เหยีดเคลื่อนไหวยกมือสร้างจังหวะอนะไรนัก็ก็สื่อดูนะดูดูร่างกายนะแต่ร่างกายนั้นก็มีเวทนาของกายก็มีนะนะความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยนะ่ะมันก็จะเห็นว่เอ้ยร่างกายมันก็ส่วนหนึ่งเนาะเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ มันก็เข้ามาแทรกเนาะเมื่อกี้นั่งสบายนะเวทนาคือสบายปกติแต่สักพักนึงเอา้าความทุกข์ความปวดความเมื่อยความเจ็บมันเข้ามาแทรกแล้วเ อ, อแต่ที่จีิมันก็ปวดเมื่อยบางส่วนเนาะแต่ถ้าใจเราไม่รู้ทันเราก็จะโอ้ปวดขาระเกินน่ปวดหลังระเกิน เ, ออเดี๋ยวบางทีก็ ถ้าหลงไปมากกขนานั้นก็เหมือนโอ้เราปวดเราเมื่อยไม่ไหวแล้วเนะนียนะเราเอาใจของเราไปไปเป็นกับทุกอย่างแต่ถ้าเรารู้จักเห็นรู้จักแย่ๆเราเห็นว่าเออมันก็เป็นเรื่องของขาเนาะที่มันปวดเป็นเรื่องของหลังที่มันเจ็บเป็นเรื่องของท้องที่มันหิวนะหรือถ้าดูไปขนาดั น, นเออมันก็เป็นเรื่องของธาตุนะเป็นเรื่องของรูปนะมันก็เป็นธรรมดานะ เราก็รู้ว่ามันเป็นนะเราก็รักษาไม่ใช่ผักใส่นะไม่ใช่ว่าจะต้องบอกว่ามันจะต้องไม่เจ็บมันจะต้องไม่หิวมันต้องไม่ปวดมันต้องไม่ทุกข์นะร่างกายมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราดูเฉยๆเนะี่ยเราดูเฉยๆไม่ดิ้นรนนะทุกก็ทุกข์ก็ยอมรับนะถ้าเราเห็นด้วยใจที่เป็นกลางด้วยใจตั้งมันนะ่นเนี่ยมันจะเกิด จิตที่เรียกว่ามันยอมรับนะยอมรับความจริงนะคําว่ายอมรับความจริงนะยอมรับว่าร่างกายเขาเจ็บยอมรับว่ามันก็ต้องหิวแบบนี้แหละยอมรับว่าต้องปวดเมื่อยแบบนี้แหละนะพอเรายอมรับเนาะใจเราก็นะปล่อยวางนะไม่ยึดมั่นถือมั่นเออนี่คือถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงจิตใจก็จะเกิดการปล่อยวางนะ ไม่ยึดมั่นถือมั่นความทุกข์มันก็เลยเป็นกองนะทุกข์แปรกลายเป็นกองกองหนึ่งนะรูปมันทุกข์นะกองรูปมันทุกข์นะแต่ใจมันไม่ไทุกข์ด้วยนะมันก็เลยแยกได้ อ, อออมันก็เลยเป็นอิสระพ้นออกมานะเหมือนในแจ์กมพลปฏิบัติแล้วก็เห็นว่าอ้อร่างกายมันพิ ก, การใจไม่ได้พิ ก, การนะ มันแยกกันไดนะ้เราเองก็เหมือนกันก็จะเห็นเออร่างกายมันก็แสดงอาการจนะิตใจก็แค่ดูดูอาการของกายไปเรื่อยๆนะแล้วพอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะใจมันก็แสดงอาการเหมือนกันนะนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจนะ เดี๋ยวก็มีกุศลเดี๋ยวก็มีอกุศลนะอันนี้เรียกรวมๆก็ได้นะเรียกว่าเหมือนเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปนัสสนาสติปัฏฐานนะเนาะอืมมันก็มีหลายอาการนะแต่จริงหลวงพ่อท่านก็บอกว่าดีนะสมบอกให้มองเป็นอาการนะมองทุกอย่างเป็นเพียงแค่อาการนะอย่าไปมองเป็นตัวเป็นตนนะเป็นเราเป็นเขานะ มันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นนะกับจิตใจนะมันเป็นเพียงแค่อาการตุกะที่จรมานะมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับนะถ้าเราเห็นโอ้อถ้าเรามีสติเราจะเห็นอ้อก่อนมันเกิดมันก็มีความไม่เกิดนะจิตตอนแรกมันปกติมันธรรมดาอยู่นะเนี่ยอันนี้สภาวะก่อนเกิดนะก่อนเกิดอาการตา่ตางๆเนี่ย นะเรียกว่าจิตปกติจิตเดิมแท้ก็ได้เนาะจิตปกติก็ ค, คือความไม่ทุกข์นะความเฉยเฉยนะแต่ไม่ใช่เฉยแบบเฉยแบบไม่รู้อิโนยเนี่ยนะเฉยด้วยความเป็นกลางเฉยด้วยความที่ไม่ไม่ฟูไม่แฟบนะไม่บวกไม่ลบอันนี้คือความเฉยความนิ่งความเป็นปกติเนาะมันเป็นแบบนั้นมาก่อนนะเนาะความคิดมันมาแทรกชั่วคราวเนาะ ออความคิดรักความคิดชังเนะ่ะ ค, ความโกรกความโกรดความหลงเนี่ยมันมามันมาแทรกเนาะมันมาแทรกเยิยๆนะ่ะเพราะ ม, มาแทรกแล้วถ้าเราตั้งมัน่นดูอยู่เฉยๆไม่มปรุงแต่งไม่ปิดคุกกับมันมันก็เหมือนไ ม, มนะมนไม่มีที่ตั้งเอเหมือนไม่มีที่ตั้งเหมือนกับน้ําเนะเรายกแก้วหนีซักนะ่ะ ก็จะเทน้ำมาใส่แก้วของเราแล้วก็ยกแก้วหนี้น้ำก็หกนะน้ำก็ไม่ตกลงแก้วนะเหมือนคล้ายๆช่วงสมการแบบนี้นาะมีคนจะสาดน้ำสุกตัวเรานะเรารู้ทันเห็นเขาสาดเราหลบไดนะ้เราก็ไม่เปียกนะจิตใจของเราก็เหมือนกันนะนะจิตใจของเราก็เหมือนกันเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นมาเราไม่รับสักนะ่ะ เราเฉยๆซะนะมันก็เข้ามาไม่ได้นะมันก็เข้ามาไม่ได้คล้ายๆเหมือนเรามีที่อยู่นะมันเราก็รู้ว่าฝนมันตกนะเราก็อยู่ใต้ชายคาฝนะก็ไม่ทำให้เราเปียกนะหรือบางทีเราเดินทางเราก็ใช้ร่มนะมันก็บังได้จิตใจของเราก็เหมือนกันนะบางทีเราก็เจออารมณ์นะคำว่าอา ก, ก, การฝอจิตเนี่ย มันก็ต้องมีเป็นธรรมดานะเวทนาจิตตาหรือว่าธรรมมาเนี่ยต้องมีนะไม่แต่จิตพระอรหันต์มันก็มีนะเพราะ อ, อย่างเวทนาเนี่ยมันก็มีสามด้านสุขทุกข์หรือว่าเฉยมันก็ต้องมีสักอย่างอยู่แล้วนะหรือจิตนะ่ะมันก็แยกง่ายสองด้านนะจิตที่ปกติจิตที่ไม่ปกติมันก็มีอยู่แล้วนะะหรือธรรมารมณเนี่ย ทำมาลงฝ่ายบวกก็มีฝ่ายลบก็มีนะแล้วแต่จะพิจารณาแล้วแต่จะดูอะไรนะมันก็จิตนั้นจิตของปุถุชนก็ ด, ก ด, นะดีจิตของพระอริยะก็ดีนะหรือแม้แต่จิตของพระอรหันตก็ดีก็ย่อมมีนะมีสภาวะเนะี่นะมีสภาวะเวทนาจิตตาธรรมาทั้งหมดเลยนะแต่มันต่างกันตรงว่าพอเราดู นะดูเป็นอาการดูแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยมันดูมันดูแบบดูแบบตั้งมั่นมันก็เลยไม่ทุกข์เนะมันก็เลยเห็นเฉยเฉยนะมันก็เป็นเพียงแค่อาการที่เขาเปลี่ยนเะรียกว่าเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อจิตเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้มันจะเกิดความ เปลี่ยนแปลงในจิตใจนะจิตใจจะเกิดการเปลี่ยนจิตใจจะเกิดการเรียกว่าเห็นแล้วว่ามันเป็นมันก็เป็นแค่นี้เองเนาะชีวิตร่างกายมันก็เป็นเพียงแค่นี้เนาะจิตใจมันก็เป็นเพียงแค่นี้เองเนาะมันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นแค่เราลงมันมานานมากเกิดความรู้สึกอืมเหมือนที่บอก ผูู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา น, นเกิดขึ้นในใจเขามันตื่นนะ่ะเหมือนชีวิตที่ผ่านมามันหลับมานานเหลือเกินนะ่ตื่นชั่วครั้งชั่วคราวนะเหมือนคนสะดุ้มสะดือนะง่วงเงียไม่อยากตื่นแต่มันจะต่างจากตอนที่เราตื่นอย่างสดชื่นเบิกบานนะมันก็อยู่กับโรคนะอย่างเบิกบานไดนะ้อยู่กับโรคยังไม่ทุกขนะ์แม้มันจะมี สภาวะทุกภายนอกนะหรือสภาวะทุกภายในนะอย่างร่างกายเนี่ยมันมีสภาวะเป็นสภาวะทุกภายในก็ว่าได้นะมันต้องหายใจยเข้าต้องหายใจยออกต้องปวดเมื่อยเนี่ยมันเป็นทุกข์ข้างในนะทุกข์เหมือนเป็นโรคภยัยภัยเจ็บที่มันมีอยู่เป็นเป็นประจําอยู่แล้วแหละนะเพียงแค่รอวันแสดงอาการเฉยๆแต่ทุกภายนอกนะทุกที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ย มันเป็นทุกข์เพราะเราหลงนะทุกข์เพราะเราเปิดโอกาสให้ความโกรธเข้ามาเปิดโอากาศให้ความโลภเข้ามาเปิดโอากาส ใ, ให้ความหลงมันเข้ามาเหมือนบ้านเราอยู่ดีๆเราก็เผลอเปิดประตูให้หมาให้ให้สิ่งที่มันทําความสกปรปกเข้ามามันก็เลยนะมันก็เลยสกปรกก็เลยไม่สะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันเราก็เผลอนะ เผลอลืมตัวความทุกข์ก็เลยแั่นเข้ามาลืมตัวความโกรธก็เลยดั่นเข้ามาอารมณ์ต่างๆก็เลยแั่นเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็คอยรู้ทันมีสติเนะี่ยเมื่อมีสติมันก็จะขับออกไปมันก็ละออกไปมันก็จะถอยออกไปของมันเองเนะีนะ่ยเราก็ยามทําพวกนี้แหละนะนี่คือเนะี่ยชีวิตนะถ้าเรา ท, ทําเช่นนี้เราจะสัมผัสกับความว่า ความหมายของชีวิตนะไม่ต้องไปบิ่งหาความหมายไม่ต้องไปคิดหาความหมายของชีวิตแต่ถ้าเราได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวเราจะเข้าใจความหมายของชีวิตนะเราจะรู้สึกขอบคุณที่เราได้มีชีวิตขอบคุณถึงคนที่ให้กหําเนิดชีวิตของเรานะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมมันจะเกิดความ กัตัญญูกัะตะเวทีขึ้นในใจของเราสำนึกในบุญคุณนะของชีวิตที่เราได้เกิดมาทั้งรูปนะเราได้จากพ่อแม่ที่จริงเราก็ได้จากคนอื่นยเยอะนะกว่ารูปเราจะโตมาขนาดนีนะ้มันก็สำนึกบุญคุณของคนที่ให้กำเนิดคนที่เลี้ยงดูหรือคนที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่หลายคน ห, ยหรือว่าสรรพสัตว์ที่เราไม่เกี่ยวข้องนะ หมายถึงเราไม่รู้จักแต่เราเกี่ยวข้องแน่นอนแหละเราก็จะน่ารักถึงบุญคุณก็จะไม่เบียดเบียนเห็นคุณของต้นไม้เห็นคุณของอธรรมชาติก็ไม่เบียดเบียนมันจะเกิดความเมตตากรุณาขึ้นในใจของเราเกิดความกตัญญูกะตะเวทีน่ารักถึงคุณแล้วก็อยากจะตอบแทนคุณเกิด ข, ขึ้นในใจของเรารวมทั้งยิ่งคุณ ของผู้ที่ให้กำเนิดทางใจนะถ้าเราปฏิบัติธรรมนะจิตใจมันเกิดพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะโอ้มันจะเห็นบุญคุณของนะพระพุทธเจ้านะเห็นบุญคุณของครูบาอาจารย์นะอย่างพวกเราเองก็จะเห็นบุญคุณของอย่าเงเช่นหลวพ่อคำเขียนโอ้ท่านสอน นะท่านพูดให้ฟังท่านทําให้ดูนะท่านอยู่ให้เราเห็นนะให้เราได้เห็นความเย็นให้เราได้เห็นความสงบให้เราได้ฟังคําพูดที่เป็นสัจธรรมนะซึ่งบางทีเนะี่ยจะหาโอกาสแบบนี้น้อยมากในชีวิตนะพอเราได้อยู่เราได้เห็นเราได้ฟังก็โอ้พอเราได้ทําตามนะก็ยิ่งเห็นบุญคุณนะแล้วก็เนะียเรียกว่าเป็นผู้ให้กําเนิด นะชีวิตทางจิตวิญญาณทางใจใหมนะ่คำว่าชีวิตนะในใจนะชีวิตในใจเหมือนเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะเกิดทางร่างกายนะแต่ใจมันยังไม่เกิดมันยังวนเวียนกับความทุกข์กับความโลรอยูนะ่แต่การเกิดขึ้นทางใจแม้รูปเก่านะแต่ใจมันใหม่คนะือ ม, มันเป็นความหมายของคำว่าชีวิตนะ ชีวิตที่ตื่นขึ้นมาแม้มันก็รู้ว่ายังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะเย็นนะแต่มันกออย่างนั้นก็ตื่นนะตื่นตื่นได้ค้นพบนะทางที่จะนะเดินออกไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ตื่นที่ได้เครื่องมือนะที่จะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคของความทุกข์ออกไปได้เรื่อยๆนะ แต่มันก็ยังเห็นงานที่ต้องทำนะพวกเราเองกนะ็ให้เอาตัวอย่างนะตัวอย่างคําพูดการกระทํำนะของครูบาอาจารย์ที่เราได้เห็นนะเอามากระทําำนะั่นเป็นแนวทางในในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้สัมผัสกับความหมายของคําว่าชีวิตนะเราก็จะรักกันใช้ชีวิตแบบแบบนี้แหละนะ ใช้ชีวิตยังมีสติแม้บางทีชีวิตหลายคนก็อาจจะยังเลือกไม่ได้นะต้องเกี่ยวข้องกับการงานต้องทำหน้าที่หลายอย่างแต่เราก็ไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลำบากไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องพยายามทับซ้ปฏิเสธมันเรามีหน้าที่เราก็ทำหน้าที่ น, นั่นก็คือเราปฏิบัติทำแล้ว เ, เราทำการทำงานนะ่ะ เราก็เอาใจใส่ในการทำการทำงานแล้วก็มีสติในการรู้ทันกายรู้ทันใจของเราอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเราปฏิบัติทำแล้วนะเราจะเป็นพระเราจะเป็นภารวาสนะเรารู้สึกนะเอาใจอยู่กับปัจจุบันเนาะไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตนะใจอยู่กับปัจจุบันนะ เราก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติธรรมเหมือนแจนกำพลช่องรำจะชอบพูดคําว่าอชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งนะก็อยู่ไปเป็นวันวันไปนะอยู่ไปเป็นวันวันนะเหมือนชีวิตไม่มีอนาคตนะถ้าเป็นทางโลกเหมือนคนเหมือนคนไม่มีคล้ายๆคนหมดอนาคตแบบนี้นะอืม แต่ว่าคนมีชีวิตอยู่วันๆเนี่ยเราจะมองว่าเป็นแบบคนขี้เกียจขี้ค้านหรือคนที่แบบเรียกว่าไม่มีความกระตือร้นไม่มีความทะเยอทยานนะเหมือนชีวิตยของกุฎชนีต้องแบบมีความฝันต้องมีเรียกว่าเป้าหมายนะให้ได้พุ่งชนต้องมีความสําเร็จที่ต้องไ่คว้านะ ต้องมีความฝันที่ต้องทําให้เป็นจริงอะไรประมาณนะั้นชีวิตของคนทั่วไปก็เลยอยู่กับความฝันไม่อยู่กับความเป็นจริงนะอยู่กับความหวังความอยากในอนาคตอยู่กับการรอความสุขที่จะพบในอนาคตถ้าเรามีแล้วถ้าเราได้ถ้าเราเป็นแบบนั้นแต่จริงชีวิตวันหนึ่งและคืนหนึ่งจริงๆเนี่ยมันทําให้เราพอใจในชีวิตที่เรามีตอนนี้นะมีความสุขได้นะ แล้วก็ไม่ต้องไปดิ้นรนคนไข้อะไรมากมแม้เราจะมีเป้าหมายของชีวิตแต่เราก็ไม่ลืมวันนี้นะเราก็ทาหน้าที่ในการทำกิจของเราวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยมันก็เป็นความสุขแล้วนะชีวิตก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนะแต่ก็มีมีแล้วก็รักษาสิ่งที่มีแนละ้วก็เส้นร่างกายเรามีเราก็รักษา ทรัพ ส, สมบัติที่เรามีเราก็ดูแลนะแต่ถ้ามันจะหายไปมันจะมันจะรักษาไม่ได้เราก็ยอมรับแล้วก็ปล่อยวางมันมันก็ไม่ทุกข์นะชีวิตะ ว, วันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็เป็นชีวิตที่เราก็อยู่กับความมีชีวิตอย่างแท้จริงนะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตได้จริงนะแล้วก็พ้นจากความทุกข์ทางใจนะไปได้จริงนะในแต่ละขณะ นะอนุภาพของการรู้สึกตัวนะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันนะได้ดีจริงๆนะนะคำ ว, ว่าอยู่กับปัจจุบันก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำนะแต่เป็นการกระทำนะทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจนะมันทำไปด้วยกันเลยนะทำทั้งกายทั้งทั้งวาจาทั้งทั้งใจนยะมันเป็นปัจจุบันนะัรนทำลงไปเนะีนะ่ยก็ให้เราได้ ให้มีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันนะเราก็จะเข้าใจความหมายของคําว่าชีวิตนะเราก็จะค้นพบทางที่จะทางที่ประเสริฐทางที่ดีงามกับชีวิตของเรานะว่าเราจะทําอะไรเนะี่ยเราก็สามารถที่จะนะเดินทางนะสายกลางเดินทางอาริยมรรคในองค์แปดหรือว่าเดินทาง มาปฏิปทานนั่นสูนะ่ะเป็นเป็นทางเส้นเดียวกันเป็นหมดเลยนะ <c oughs> เรียกชื่อต่างกันเฉยนะแต่มันก็เป็นเป็นทางเส้นเดียวกันนี่แหละนะนะก็หให้พวกเราเนะี่ยเป็นเพื่อนตอนนี้ก็อยากเป็นเพื่อนร่วมทุกเนาะเพราะนากายก็ยังต้องทุกข์อยู่นะอยู่กับโรค ก, ก็ต้องมีปัญหาอยู่นะเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะแต่เราก็ให้พวกเราทุกคนน่ะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางออกจากความทุกข์ด้วยกันแหลนะ ว่าเราจะเป็นนักบวชจำพรรษาด้วยกันหรือที่จริงเพื่อนจากที่อื่นก็ก็เหมือนกันหรือว่าเราเป็นคารวะนะแต่เราก็ตั้งใจปพุทธปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางนะในการที่จะออกจากความทุกข์ใครรู้ก่อนใครเดินไปก่อนก็คอยเตือนคนที่เดินที่หลังนะว่าต้องระวังอะไรนนะะ หรือใครที่ล้มใครที่ท้อนะคนที่เดินนาหน้าคนที่ไม่ล้มก็ก็คอยเชียร์หรือว่าคอยพยุงนะ่ให้เขาลุกขึ้นนะชวนกันในทางที่ถูกเห็นใครล้มทางก็บอกกันเออมันล้มไปแล้วนะนะขับมานะบอกกันด้วยความหวังดีนะไม่ใช่ตำหนิไม่ใช่โกรธเกลียดกันนะบอกบอกกล่าวกันด้วยความเป็นกันยานมิตรนะย ด้วยเมตตากรุณาต่อกันนะผู้ที่เราฟังนี่ก็ต้องใช้สติปัญญาเนะี่ยพิจารณาเออเราผิด จ, จริงแล้วก็ต้องแก้ไขตัวเราบบนี่เนาะมันก็จะได้เกิดการแก้ไขพัฒนาตัวเราให้มันดีขึ้นนะก็ให้เป็นเพื่อนร่วมทางกันเนาะที่จะเดินให้คือจุดหมายปลายทางคือความทุกข์นะก็คือพันธ์พานนะ